ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญัาผู้รักษาตังต้งศีลนบสต์ขึ้นไปถึงเนถึงพระให้ให้นั่งให้นอนช่นั่งที่เหนือที่นั่งที่นอนอันใหญ่ภายในคณะตดวนุ่นและสันแีนันดนั่ น, นก็กลัวว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะมีความประมาท เพินในการหลับนอนจนเกินไปยิ่งกว่าที่จะเกินในความผ้าียนของตนพระองค์ทรงหาอุบายห้ามทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นทางที่เพิ่มพูนกิเลสทั้งหลายพยายามตัดหนทางที่จะเพิ่มพูนกิเลสของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งทั่วไป ในบรรดาที่รักษาศีลตั้งแต่ศีลห้าศีลแปขึ้นไปมีหมายถึงศีลถ้าหมายถึงธรรมก็ไม่มีธรรมข้อใดที่จะสอนให้ผู้ปฏิบัติมีความประมาทนอนใจมีแต่สอนให้มีสติให้ระมัดระวังให้มีความภาคเพียรความอุตสาห์พยามเรียกว่าเป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยปรากฏในบทใดบาดใดว่าพระองค์สอนให้ลละความภากเพียร มีความอ่อนแอแม้แต่สอนฝ่ายคารวาสก็สอนด้วยความขยันหมั่นเพียรทั้ ง, งนั้นเราจะเห็นได้ท่านท่านท่านสอนคารวาสในบทธรรมว่าอุทธธานสัมปทาเนี่ยครัให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมัน่นหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบเนี่ยอารักษสัมปทาเ่ สแสลงหาทรัพย์สมบัติมาได้แล้วด้วยความชอบธรรมให้พยายามีค่อผอมน้อมนิดแต่ช้าสุริชุรัครรยาอมิตตาให้ระ ม, มัดระวังอยา่าคบให้คบเพื่อนเฉพาะเพื่อนที่ดีงามเท่านั้นระวังพวกปาผอมนิดจะเป็นเหตุให้เสียได้เพราะคนรางมาคบกับแปงนานต้องาากลมคืนเป็นไปในรอยเดียวกันได้ เป็นทางคนดีและอคนชั่วมีเป็นไปได้ทั้งสองทางคือพวกคนชั่วก็เป็นคนชั่วไปได้พวคนดีก็เป็นคนดีไปได้สมัชชีวิตาเรื่องชีวพอประมาณอย่าซูลุชุ่ยไล่หรือกุ้งเฟ่อเหือมลืมเมื่อรืมตัวการเก็บทรัพย์เป็นสิ่งสําคัญให้รู้เหตุผลที่คนเก็บเหตุผลด้วยคนจ่ายนะเอาฟังหนึมีจุดไหน ที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนมีความลืมตัวไม่เพราะฉะนั้นคำว่าประหยัดมัธยัติเป็นเป็นหลักประกันแห่งการครองชีดของบุคคลทัวท่วไปตลอดถึงผู้ปฏิบัติคือความไม่ลืมตัวจะมีมากมีน้อยให้มีความประหยัดมีความมัธยัตให้รู้จักวิธีใช้สอยให้เป็นความสุขบรรดาสมบัติหนึ่งทองมีมากมีมากน้อยอย่าให้เป็นค่าสื่อแก่ตนเพราะความลืมตัวนั้นเลยนี่ เศษสอนขรารวต่างสอนอย่างนี้แล้วเข้ากันได้ทั้งพระด้วยเพราะทรรมเป็นภาคทั่วไปแล้วจะ่ยึดปฏิบัติให้เหมาะสมกับธรรมขั้นใดหรือก็รหลิกใจหรือผู้ปฏิบัติในขั้นใดได้ทั้งนั้นเวลาสอนพระยิ่งมีความเข้มแข็งมากขึ้นให้มีความประมาทอุบายวิธีที่จะ กันทางไหลเพาะรั่วไหลก็มาแห่งกิเลสทั้งหลายเพราะมันที่มันมีอยู่แล้วนี่ก็พยายามที่จะฉุดจะลากมันออกยากมากมายกายกองไม่มีอันใดที่จะเหนียวแน่นยิ่งกว่ากิเลสภายในจิตใจของสรรโลกวิธีถอดถอนกิเลสนี่ก็ต้องลาบากยากยิ่งกว่าถอดถอนสิ่งใดมันจึงพยายามไม่ทำสิ่งที่ยังไม่มีไม่ให้ไหลเข้ามา สิ่งที่มีอยู่แล้วพยายามรื้อถอนออกด้วยความภาคเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามนะความพยันความอดความทนความเฉลียวฉลาดนะไม่ให้นอนใจทั้งนั้นในอปันนกกะปฏิปทาที่ท่านสอนไว้สําหรับผู้ปฏิบัติเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือสอนพระอปันนกกะปฏิัทาคือการปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติโดยความสม่ําเสมอนะ ตั้งแต่ปฐ ม, มยามายามในปฐมยามทั้งหมดให้ประกอบความเคียน์จะเดินจงกรมก็ได้สมาััางสมาธิภาวนาก็ได้ะพอมาข้างมาัชฌิมายามพักพอปัจจิมายามก็ตื่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเรื่อยไปตอนกลางวันก็ทำนองเดียวกันหากจะมีการพักผ่อนบ้างในเวลากลางวัน ก็ พ, พักได้แต่ระมัดระวังปิดประตูให้รักษาอายาในการพักนอ น, นท่านสอนโดยลำดับการปฏิบัติโดยส ม, ม่ำเสมอเช่นนี้ชื่อว่าปัญญกัปฏิปทานผู้ที่จะรีบเร่งยิ่งกว่านี้ในบางการนั่นเป็นยิ่งเป็นความชอบยิ่งขึ้นไปแต่ย่อนกว่านั้นท่านไม่ได้สอนว่าให้ย่อนกว่า น, นี้ได้กินแน่าอยากหลับอยากนอนเมื่อใดก็นอนอยากกินอยากขบอยากฉันนะฉันไปเถอะเลี้ยงไปเถอะอย่าง เรื่องของถาดของขันเนี่ยเลี้ยงให้มีความอิ่มน้ําทําลังให้บริบูรณ์ท่านไม่ได้ว่ะสําคัญที่หล่อเลี้ยงจิตใจนำธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความทุ่มเย็นการหล่อเลี้ยงจิตใจโดยอดัดโดยธรรมนี้มีความชุ่มเย็นจนกระทั่งถึงส่วนร่างกายก็มีความผาสุ่ไปด้วยแต่การหล่อเลี้ยงร่างกายโดยไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรก็เขาเลี้ยงหมูไว้สําหรับขึ้นเคี่ยว ศาสนาธรรมที่ประทานไว้นั้นจึงหาที่แทรกหาที่คัดค้านไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดอุบายวิธีที่ทรงสั่งสอนไม่เพื่อปิดกั้นกิเลสและเพื่อการขับไล่กิเลสไม่มีอุบายของผู้ใดที่จะมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าอุบายของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบมาแล้วด้วยวิธีการใดและการขับไล่กิเลสการแก้ไขกิเลสด้วยวิธีการใดพระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาแล้ว จนได้ผลเป็นที่พอพไใยผลที่พูดเลยครับก็ถึงขั้นศาสดาเมื่อได้ทรงประสบพบเห็นมาด้วยความปฏิบัติหรืออุบายใดพระองค์ก็นําข้อปฏิบัติหรืออุบายนั้นๆมาสั่งสอนสางโลกว่าเป็นการถูกต้องแน่นยําไม่ผิดถ้าได้ปฏิบายนได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระถาคตได้แสดงไว้แล้วนี้น่ะท่านจึงเรียกว่ามัชชิมา คือเหมาะสมอย่างยิ่งกับการแก้กิเลสทุกประเภทด้วยอุบายพิธีต่างๆ ต, ต, ต, ตามขั้นของกิเลสที่ยากหรือละเอียดเพราะคําว่ามัชชิมานั้นต้องหมายถึงความเหมาะสมกับการแก้กิเลสด้วยสติปัญญาศัทธาความเปลี่ยนของต๋งกิเลสประเภทใดที่หนานแน่นหรือที่เหนียวแน่นแก้ยากก็ต้องทําให้หนักมือเช่นเดียวกับเขาถากไม้ มาที่ตรงไหนมันคตมันงอจะต้องถากให้มากเพื่อให้ตรงที่ไหนมันตรงอยู่แล้วก็ไม่ต้องถากมากมาอะไรนะักที่ไหนมันต่าอยู่แล้วจะไปถากก็เสียเรื่องกิเลส ก, ก็เช่นเดียวกันบางขั้นบางตอนหรือบางประเภทของกิเลสหรือบางเวลาของกิเลสที่แสดงออกมานี่มันหนักมากมันรุนแรงมากต้องใช้ความพยายามหรือใช การรบหรือการแก้อย่างหนักถึงจะพอกันหรือเหนือกว่ากิเลสประเภทนั้นนั้นมันถึงจะหยอมอย่างนี้ก็ต้องทําถึงการเวลาที่จะต้องทําอย่างนั้นก็ต้องทําจะทําให้เบากว่า น, นั้นไม่ได้เนี่ท่านก็เรียกว่ามัชชิม า, าสําหรับกิเลสประเภทนี้การนี้เวลานี้มันเกิดขึ้นเช่นนี้เราต้องใช้วิธีการแบบนี้ถึงจะทันกันหรือสามารถปราบตามมาได้ด้วยวิธีการนี้วิธีการนี้เรียกว่ามัชชิมาของกิเลสประเภทนี้ แล้วเป็นไปโดยลํำดับกิเลสประเภทหยาบก็ต้องใช้มัชฌิมาแบบทันกันกับกิเลสประเภทนี้หรือเรียกว่ามัชฌิมาส่วนหยาบส่วนกลางก็ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรให้เป็นไปตามนั้นพอให้กิเลสดุจลอยไปได้ด้วยข้อปฏิบัตินั้นๆท่านเรียกว่ามัชฌิมาสําหรับกิเลสขั้นนั้นะอถึงขั้นละเอียดสติปัญญาก็ต้องละเอียดความเพียรก็ต้องละเอียดเรานั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรไปหมด ไม่ว่าแต่เดินจงกรมเนี่ยถึงจะเรียกว่าความเพียร น, นั่งสมาธิอยู่ถึงจะเรียกว่าความเพียร น, นั่งอยู่ก็าตามยืนอยู่ก็าตามเดินอยู่ก็าตามไม่ว่าเอียบทใดๆเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นต้องเป็นความเพียรโดยตลอดไม่มีระยะใดที่จะไม่ทําความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาซึ่งเป็นหลักอัตโนมัติเกิดขึ้นอยู่กับตนเพื่อแค่เกลียดซึ่งมีอยู่ภายในจิตไปตลอดสายนี่เดียวกว่ามัดขีมาในขั้นละเอียดคือไหลซึมอยู่นั่นเช่นกั บ, กบน้ํำชับน้ํา ซึน้ำรับน้ำคำไหลล อ, อินหยู่นั้นทั้งแรงทั้งฝนไม่เหือดไม่แห้งไม่มากไม่น้อยเสมอไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันการแก้กิเลสประเพณีแก้ึงนั้นเป็นสติปัญญาที่ละเอียดพิณิพจนากันอยู่ยยยอย่างละเอียดภายในยรวมแล้วก็ไม่ท่านก็เรียกว่ามัชชิมะเราผู้นำมาปฏิบตัต ท้าไม่ถูกต้องเหมาะสมกับวิธีการของการแรก้กิเลสประเภทนั้นๆมันก็ไม่ได้ผลเห็นกิเลสนั้นหนาความขี้เกียจก็มากความหมอนแอรมันต้องมากหิวบ้วนแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันแล้วความเพียรก็ต้องด้อยนี่มันจะเข้ากันได้อย่างไรกิเลสหนานั่นเองมันถึงขี้เกียจ ม, มีความทุกข์มากถ้ากิเลสบางแล้วความทุกข์ก็น้อยแต่ตอนที่เราจะ ท, ทํากิเลสนั้นหนาเนี่ย ถ้ามันเบาบางลงไปบ้างเราจะทําด้วยวิธีใดความเพียรหรือนั่งเพกยห้านาทีสินาทีพอแล้วเท่านี้พอแล้วคําว่าพอแล้วนี่ก็เป็นอุบายของกิเลสมันหลอกเราว่าพอแล้วส่วนอุบายของเราไม่ทราบอันไหนมันไม่ปรากฏเมื่อเป็นชนิดนี้ซึ่งมีเรื่องมีแต่เรื่องของกิเลสให้อุบายแก่เขาเองนั้นแหละเขาจะเอาอะไรให้เราถ้ามีดอย่างนี้เขาก็จะยื่นทางทางปลายให้เราเขาก็จะจับเอาทางด้ามมาไว้ คอยฟันเราอยู่เสมอทําความเพียรก็ให้กิเลสเป็นคนสั่งทําไม่ใช่ทําเป็นผู้สั่งทํานั่งสมาธิภาวนาก็ให้กิเลสเป็นผู้สั่งให้ทํานั่งสมาธิเอนั่งสักพอประมาณเอาละน ะ, ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเหนื่อยลําบากลาบนนั่งมากมากกว่านี้แล้วสุขภาพไม่ดีะจะอดนอนถ่อนอาหารบ้างเดี๋ยวสุขภาพโทมนะกิเลสมันหลอกมันหลอกอะไรก็ต้องทําตามกิเลสทีนี้กิเลสมันจะหลุดลอยไปได้ไงก็อุบายของมันเพื่อเสริมมันเองไม่ใช่ อุบายของธรรมเพื่อจะบำบัดปราบปรามมันให้หายสร้าลงไปได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้อุบายของธรรมตามหลักพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่เอาอุบายของกิเลสทีด่ดังที่กล่าวมานี้มาทําความเพียรจะเป็นการเพิ่มกิเลสโดยมือสุดตัวเพราะเหตุไรก็เวลานั่งทำเพียรเราก็คอยนับเอาเวล่ำเวลาเรานั่งได้เท่านั้นนาทีเท่านี้นาทีนี่เป็นความเพียรของเราแล้วกิเลสมันหายไปสักกี่ตัวหรือมันพอ เนตัวบ้างสักตัวไหมกิเลสประเภทต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตมันไม่ปรากฏเลยแล้วก็ได้แต่เวลาเวลาว่าเรานั่งนั่งเท่านั้นเท่านีน้เวลาเท่านั้นนาทีเท่านี้นช่วโมงแล้เดี๋ยวก็มีอุบายขึ้นมาอีกแง่หนึ่งว่าเอ๊ะนี่นั่งนานขนาดนี้ไม่เห็นได้เรื่องได้ลาวจิตใจไม่เห็นมีความสงบเราจะนั่งไปทำไมนี่ก็เป็นอุบายกิเลสหลอกย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปอุบายของธรรมที่จะทำลายกิเลสลงไม่มี นี่แหละที่เราเสียเปียกกิเลสเราเสียเปรียกที่ตรงนี้ผู้บาที่พูดขึ้นในแง่ใดก็ตามบรรดานักปฏิบัติทั้งหลายแต่ก็เห็นใจสำหรับผู้พูดไม่ใช่พูดเจตนาที่จะตาหนิตัวเองนะตำหนิศา ส, สนาตำเหนียดตํหนิอัดตำหนิธรรมแต่เรื่องของกิเลสมันก็ต้องตำหนิอัดนี่ธรรมเป็นธรรมดาสาหรับผู้นั้นไม่มีความรู้สึกว่ากิเลสพาตําหนิอย่งางนั่งเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้นาทีไม่เห็นได้เรื่องในลาอะไรแล้วทําไป เสียไปแล้เป็นลาเปล่าทําไปทำไ ม, ำไมเราอยู่ซะดีกว่านานล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายกิเดลสทั้งหมดทีนี้ตัวเองก็เลยอยู่ในกรอบของกิเลสหาทางออกไม่ได้ให้เราทราบเอาไว้นี่เหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของกิเลสที่จะพ่อพูนตัวเองสั่งสมตัวเองเพิ่มกําลังตนโดยลําดับเพื่อสิ่งเหล่านี้ที่ไม่พึงปรารถนา ให้ลดน้อยถอยลงไปโดยลําดับพึงคํานึงศาสนาธรรมคือคําสั่งสอนของพระทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งพึงคํานึงถึงพระพุท ธ, ธเจ้าผู้เป็นบรมศาสน า, ศ า, ศาท่านเป็นบรมภศาสน า, าได้เพราะเหตุใดได้เพราะความนับเวลามเวลาได้เพราะความเพราะถอยอ่อนแอได้เพราะคำโกงขเข่าบปัญญาหรือได้เพราะความขยันหมั่นเพียร ได้เพราะความอดความทนได้เพราะเพราะความฉลาดแหลมขมพระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาแล้วฆ่ากิเลสตายไปโดยลําดับๆจนกระทั่งถึงขั้นศาสดานั้นท่านฆ่าได้ด้วยวิธีใดท่านปราบกิเลสด้วยวิธีใดอด้วยความเพียรฟังแต่ว่ความเพียรไม่ถอยติดตามเรื่อยๆกิเลสไปไหนตามกิเลสความโลภเกิดขึ้นตามความโลภมันเกิดขึ้นเพราะเห็นอะไรตามทั้งไปทั้งข้างหน้าที่มันไปโลภไปโลภอะไร แล้วสาเหตุที่มันจะไปโลภไปโลภเพราะเหตุไหโค้นย้อนหลังกลับมาก็มาถึงตัวใจความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกันเราไม่ไม่เพ่งเล็งของผู้ที่ถูกเราโกรธเราต้องย้อนกลับเข้ามาดูตัวโกรธไม่มีอันใดที่จะรุนแรงไม่มีอันใดที่จะเกิดความเดอดให้เกิดความดอดร้อนเสียหายยิ่งกว่าความโกรธที่เกิดขึ้นไปเราทําลายเราก่อนแล้วถึงไปทําลายคนอื่นนี่มันร้อนที่นี่แล้วก็ไปทำร้อนคนอื่นเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วเรื่องที่ ความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันก็ระ ง, งับดับลงเพราะเราย้อนเข้ามาหาต้นตอมันซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องและเป็นจุดที่ทำลายได้นี่พระพุทธเจ้าท่านทรงชำระอย่างนี้เรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องอะไรกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ท่านไม่ได้มาคิดเพราะเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสท่านเคยดูท่านเคยรู้มา เ, เป็นเวลานานเห็นพิษของมาของมันเป็นมาเป็นนานท่านจึงต้องพยายามอย่างเป็นความสามารถทุกวิถีทาง จนก็ะทั่งได้เป็นศาสดาขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอดทนด้วยความเป็นนักรบโดยอุบายสติปัญญาอันแหลมคมท่านกับการแก้กิเลสหรือปราบปรามกิเลสทั้งหลายให้หลุดลอยไปจากพระไทยกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาเราเป็นพวกเราเป็นสาวยาบุตรพุทธกินโรตคือพุทธเป็นพุทธบริษัทเรียกว่าเป็นลูกก้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้า ถ้ามาดําเนินดําเนินตามรอยของผร้เรียกจะดําเนินไปอย่างไรถึงจะสมชื่อสมนามว่าเป็นศากตร์ยบุตรพุทธทากิโรถที่ปรากฏตัวว่าเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องดําเนินอย่างนั้นเพราะกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันซึ่งจะต้องดําเนินแบบเดียวกันเป็นแต่ความวามากมีมากมีน้อยต่างกันความเพียงเราก็จะต้องดําเนินไปตาม กำลังหรือสติปัญญาของตนเท่าที่กิเลสประเภทนั้นๆจะสงบตัวลงไปหรือขาดกระเด็นไปจากจิตใจด้วยความภาคเพียรของเรานี่ใครจะนําไปปฏิบัติก็นําไปปฏิบัติเถอดจะไม่หนีจากร่องรอยของพระพุทธเจ้าจะไม่หนีจากร่องรอยของพระสาวกท่านที่ท่านแก้กิเลสได้ด้วยอุบายใดเราก็ได้ด้อุบายนั้นท่านถึงไหนเราก็ต้องถึงนั้น ต่างกันแต่สัตว์ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่มีเป็นอย่างอื่นแล้วสมนามว่าสขาุขคาธรรมแท้ผู้ปฏิบัติตามสวขคาธรรมก็ปฏิบัติอย่างนั้นทิเล่ก็ต้องดุดลอยไปด้วยหน้าแทนทำนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นธรรมตายตัวเราจะแยกแยะไปอย่างอื่นเอาตามชอบใจของเราอย่างนี้ไม่ได้เพราะความชอบใจของเราร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องความชอบใจของทิเล่ โดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราเป็นกิเลสความคิดเราเป็นกิเลสความอยากเราเป็นกิเลสความต้องการเราเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสที่สกันทั้งนั้นนอกจากจะเลือกเฟ้นธรรมะมาปฏิบัติหาเหตุหาผลจะไม่ชอบกว่าตามเมื่อเห็นว่านั้นเป็นธรรมแล้วนั้นเป็นเครื่องแก้กิเลสได้โดยตรงแล้วจะต้องยึดนั้นไม่เป็นหลักแล้วฟาดปันกันลงไปให้เห็นเหตุเห็นผลกันกิเลส กลัวอย่างนี้กลัวผู้ดําเนินอย่างนี้กิเลสก็กลัวผู้มีเครื่องมืออย่างนี้กิเลสก็กลัวเพราะเครื่องมือนี้เป็นธรรมธรรมนี้เคยปราบตามกิเลสมาแล้วนับแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาเพราะนั่นกิเลสจึงยอมทั้งนั้นเหตุที่ยอมก็คือว่าเห็นอํานาจของธรรมแล้วว่าไม่สามารถที่จะต้านทานอยู่ได้ต้องทลายลงไปด้วยอํานาจของธรรมทั้งนั้นกิเลสจึงกลัวผู้มีความเพียร ประเภทกิเลสที่กลัวนั้นกิเลสก็ต้องวิ่งเลยใช่าไหสู้มเราไม่ได้มันก็วิ่งหนีตั้งแต่เราสู้มันมาแล้วมันวิ่งหนีใช่าไหเราสู้สมไม่ได้วิ่งหนียังไงก็วิ่งหนีจากทางยึดกลมบ้งวิ่งหนีจากที่นั่ง ส, สมาธิภาวนาวิ่งหนีจากความพาดความเปลี่ยนคือการลดน้อยถอยกําลังตัลงไปโดยดับดับที่จะเป็นเหตุให้กิเลสไล่ตามนั่นแหละหรืออยากว่าวิ่งทั้งนั้นแหละสู้ไม่ได้ก็ถอยถอยถอย ถอยทั้งหลามันก็ยิ่งเหยียบย่ำทำลายก็ไปเดิมลำเราอยากเข้าใจว่าถอยแล้วจับพ้นการถอยกิเลสไม่มีทางพ้นนอกจากการสู้เท่านั้นจะพ้นออกจากกิเลสอย่างอื่นเราวิ่งหนียังพอเอาตัวรอดก็ได้แต่การวิ่งหนีกิเลสนี้นั่นและคือการเอาคอเข้าไปสวมกิเลสฟันเอาฟันเอาฟันเอ า, เอาอแลกไปหมดนี่เราจะหาทางใดเป็นทางออกวัดตะบนนี้เราเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วแม้เราจะจําไม่ได้ก็ตามเราถือหลักปัจจุบัน อัตลักษปัจจุบันนี้ก็พอจะทราบแล้วว่าเบื้องหลังเคยมีที่ผ่านมาแล้วคืออดีตเคยมีมาแล้วจึงต้องมีอย่างนี้ได้แล้วในการข้างหน้ามันก็ต้องเป็นไปได้เช่นเดียวกับเมื่อวานนี่มีแล้ววันนี้ทําไมจะมีไม่ได้แล้ววันพรุ่งนี้เดือนนี้ปีนี้นักาไมจะมีไม่ได้เพราะมันสืบเนื่องมาจากอันเดียวกันนี้นี่แล้วเราเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้เรายังดีเราเป็นมนุษย์ มีสิทธิมีอำนาจยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเราเพอมีความสุขความสบายอันนี้เราก็ทราบแล้วว่าเราอยู่ในโลกอ น, นิจจังเป็นของแน่นอนเมื่อไหร่แต่ก่อนเราอาจเป็นพวกเป็นชาติอะไรมาก็ได้มาปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างนี้แม้แต่หน้าตาภาพนี้มันยังมีความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาจนตั้งถึงวันนี้มันคงเส้นคงวางเมื่อไหร่ทั้งขานร่างกายกําลังมังชาสติปัญญาอะไรมันก็ซุดโสมันเปลี่ยนแปลงงันไปเรื่อยๆออกทีนี้มันก็เปลี่ยนลงไปถึงที่สุดท่องมันก็ลงธาตุเดิม และจิตนี้มีกําลังมากน้อยเพียงไรที่สามารถทรงตัวไปได้ให้อยู่ในภูมินี้หรือสูงยิ่งกว่านี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเราที่จะฟิตขึ้นมาส่งเสริมกําลังเราขึ้นมาให้มากเพื่อเอาอย่างน้อยเพื่อรับอนาคตหากจะเป็นไปอยู่ในวัฏฏะสงสารซึ่งเป็นห้องขังนักโทษผู้ที่มีกิเลสย่ำยีนี้ก็ให้เราได้อยู่ในฐานะที่ดีบ้างหากว่าพอที่จะผ่านพ้นหรือหลุดไปได้เหยียบย่าทําลายกิเลส อันเป็นกครงจักวัตจักรไม่ให้ทิ้งศูนย์ไปจากจิตใจก็ทําลายลงไปด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของเราเราอยาเข้าใจว่าสติปัญญาเราจะไม่มีมีอยู่ด้วยกันทุกคนความเพียรอยากเข้าใจเราไม่มีถ้าเราจะทําให้มีมีได้ทั้งนั้นนอกจากที่เด็ดเป็นผู้กั้นกลางไม่มีความเพียรไม่มีสติปัญญาให้มีความบาดแลเท่า น, นั้นเรื่องเหล่านี้เกิดจากทีเล็ที่จะเป็นเครื่องกัก้นกลางทางเดินเพื่อความปูต้งเราไม่ใช่อันใดไม่ใช่อํานาจไม่ใช่วาจนา ไม่ใช่เมื่อวันปีเดือนไม่ใช่การสถานที่แต่เป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงเป็นผู้กีดกันหัวห้ามเราอย่างนั้นลึ ก, ล, ก, ล, กลับๆอย่างเปิดดังเผยแต่เรามันตามบอดไม่มองเห็นความลึกลับความเปิดเผยของกิเลสที่แสดงตัวกลางๆหัวห้ามเราอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวจะพ้นจากเขาเขาเป็นเจ้าอํานาจครองใจมานานพอเขาเขายับผมนิดหนึ่ง แสดงมานิดหนึ่งเราเชื่อแล้วเชื่อแล้วไม่ต้องยกถึงเป็นบทเป็นบาปเราเชื่อมันเร็วที่สุดศาสตราจารย์ของวัตจักรก็คือกิเลสบนหัวใจใสใครจะเรียนรู้มากรู้น้อยก็ตามจะต้องถูกกล่อมกันทั้งนั้นแหละนอกจากวิชาธรรมะดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดังพระพุทธเจ้าดำเนินมาและสาวกท่านดําเนินมาเอาจริงเอาจังลงถึงเหยุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงไม่เพียงแต่ว่าจาชื่อของกิเลสได้แล้วแล้วเป็นเสเร็จประโยชน์ไม่ใช่เช่นนั้น การจําชื่อจําหน้ากันทั้งนั้นละเช่นเดียวเรากับเราจําชื่อของเสือนังเสือนี้มีกี่ร้อยกี่พันเสือก็อตามที่มันก่อความบุ่นวาให้แก่บ้บานเกิดเมืองเราจําชื่อมันได้สนั้นยังไม่แล้วเราจำจนกระทั่งถึงโคตรแท้ให้มันก็ตามถ้าเรายังจับตัวไม่ได้เมื่อไรแล้วบ้านเมืองจะหาความสงบไม่ได้ก็คือเสือตัวที่จําชื่อได้นั้นนั่นนั่นแล่มันก่อความบุ่นวาให้แก่บ้านเมืองอยูน่นอกจากเราจับมันได้เสียแล้วเราจะทําอะไรก็ทําได้นล้ ทีนี้บ้านเมืองก็ลับความสงบร่มเย็นอันตรงกิเลสถนัดกิเลสพันหตันหาร้อยแปดนอกากร10้อยแปดพันแปดมืแปดก็ตามเกิดถ้าเรานั่งจับตัวไม่ได้มาทําทนไม่ได้หรือทําลายไม่ได้แล้วเราจะจําได้แต่ชื่อนั้นสักเท่าไหร่มันก็ไม่มีปัญหาไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นเพราะการจําได้นั้นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทําลายมันด้วยความภาคเพียรของเราให้ถึงความจริข ง, ขงของกิเลสกิเลสคําว่ากิเลสแต่และประเภทนี่มันแสดงตัวอย่างไร ก่อนที่มันจะแสดงขึ้นมาเป็นผลมันแสดงเหตุขึ้นมาอย่างไรบ้างตามลงไปด้วยสติปัญญาส่วนมากก็แสดงขึ้นในขันนี้แหละไม่แสดงข่้นที่ไหนอออกทางตาก็เกี่ยวกับรูปออกทางเสียงก็เกี่ยวกับหูจมูกริ้นกายมีเกี่ยวกับกลิ่นรถเครื่องสัมผัสผลสุดท้ายก็มาเกี่ยวกับเบญจขันของตัวเองรูปก็แสดงขึ้นอีกอย่างหนึ่งเวทนาแสดงขึ้นอย่างหนึ่งสัญญาแสดงขึ้นอย่างหนึ่งสังขารแสดงขึ้นอย่างหนึ่งวิญญาณแสดงขึ้นอย่างหนึ่งจารกิเลสเป็นผู้บัญชาออกมา เ้าก็คล้อยตามหลงตามลงตามตา ม, มันอยู่เรื่อยๆหลงตามมาเท่าไร่แล้วร่วนแล้วแต่กญมายาของกิเลสทางนั้นเรายังไม่ทราบมันเป็นกิเลสจช่ไหมเรามีความฉลาดแหลมคมได้อย่างไรการฉลาดแหลมคมมารูกความจริงกิเลสก็ค้นลงให้ดูให้ดีเอทุกเวทนาเกิดขึ้นที่ไหนเอาค้นลงไปให้มันเห็นฐานเกิดของมันว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรค้นตายแล้วมันมีเวทนาไหยดูสิ ถ้าเกิดขึ้นเป็นทุกเวทนาภายในร่างกายเอาคนตายแล้วเวทนามีไหมเอาไปเผาไปมันว่าไงเอาไปฝังดินว่าไงมันไม่ได้ว่าไงแล้วทําไมจึงเป็นทุกเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ก็เพราะจิตนั่นแหละเป็นผู้รับรู้เพราะขี้เหร่นั่นแหละเป็นผู้กระซิเป็นผู้ดอกรวมให้ยึดมั่นถือมั่นให้สําคัญว่าเวทนาเป็นตนเป็นของตนให้ถือว่ากลายเป็นเราเป็นของเราเมื่ออะไรมาก็ะุกกรือสิ่งที่เรารักเราสงวนเราปักปันเก็บกัเอาไว้เราก็เกิดความทระตุกระเทือนภายในจิตใจแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมา เพราเอียกมันหลอกอย่างนี้นี่เมื่อเราแยกลงให้ถึงฐานของความจริงด้วยสติปัญญาจริงแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยรูปก็รู้กันแล้วว่ารูปเห็นตามความจริงในส่วนร่างกายนี้ทุกสัตว์ทุกส่วนว่าเป็นความจริงล้วนๆด้วยปัญญาเห็นชัดเจนในเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราส่วนใดก็ตามว่าเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นสัญญาสังขันวิญญาณแต่ละอย่างๆเป็นความจริงแต่ละอย่างๆแล้ว จิตจะมีความก้าวทุกข์ก็เถื่อนที่ไหนเพราะจิตเป็นผู้รู้รู้ด้วยปัญญาอย่างกระจักแย้งแล้วอะไรจะมาทําความวทุกข์ก็เถือนแกจิตใจได้ท่านเรียกนั่นแหละท่านเรียกว่าเห็นความจริงคือสัจธรรมเราจะไปเห็นที่ไหนเห็นสัจธรรมเห็นในแบบก็เป็นแบบเห็นในกัำพีก็เป็นกัมภีเห็นในหนังสือก็เป็นตัวหนังสือมันไม่ใช่กิเลสไม่ใช่สัจธรรมที่แท้จริงสัจธรรมที่แท้จริงมันอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ตัวของเหล่านี้เท่านั้นการทุกข์ก็แสดงขึ้นมาที่มี ความพิจารณาทุก ก, ก็พิจารณากันทีน่นี่รู้เท่าเรื่องทุกเรื่องสมุทยัยทั้งหลายก็รู้ททเท่ากันที่นี่เปิดเผยกันที่นี่รู้แจ้งทั้งตลอดรู้ที่ททนี่เถอดถอนกันที่นี่พ้นทุกกันทีน่นี่นี่ท่านเรียกว่ารู้สัจธรรมรู้อย่างนี้แหละไม่ไปรู้ที่ไหนไม่ว่าครั้งพุทธการไม่ว่าครั้งไหนๆทัศธรรมมีอยู่ที่กายของตัวเองที่ใจของเราทั้งนั้นการเรียนยังเรียนเข้ามาที่นี่ย้อนเข้ามาที่นี่ปฏิบัติให้รู้เรื่องของวิถีจิตที่เป็นไปด้วย ทีเลตนาอสาบะที่เรียกว่าสมุทรไทยเท่านั้นไม่เป็นอย่างเมื่อรู้นี่แล้วจะประสงค์ใสที่ไหนโลกระวีทูรู้แจ้งโลกก็คือแจ้งท่าแจ้งขันแจรู้แจ้งปฏะปิดใจของคนนี่ขานั้นเป็นสําคัญนี่แหละอุบายวิธีแก้ที่เลปตาปรามที่เลตให้ปราบปรามลงที่ตรงนี้อย่าไปรูปไปคลาที่อื่นๆรวมลงที่นี่หมดพระรไกลปดก็อยู่ที่นี่นี่ ใจจักก็อยู่ที่นี่วัตจักใจจักวางมันอยู่ที่นี่เวลาธรรมะไม่เกิดสติปัญญาไม่สามารถจิตก็เป็นใจจักหมุนไปสามภคกลาวภคดูภคดูภพเ พ, พอสติปัญญาเพียงพอแก้ไขใจจักนี้ออกให้หมดภ า, ายใจิตใจแล้วมันก็เป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาหรือเป็นธรรมจักหมุนรอบตัว อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนขอให้พิจารณาที่นี่ปฏิบัติให้เข้าใจเรียนอะไรก็ตามไม่ได้ยากเหมือนเรียนเรื่องของจิตเลยจิตนี้สลับซับซ้อนละเอียดลออมากที่สุดต้องใช้ความพิจารณาใช้สติปัญญาใช้ความภาคเพียรความอดความทนเต็มทัน์ติกำลังความสามารถบางครั้งแทบว่าจะตายเราก็ยอม เพราะเราอยากรู้อยากเข้าใจความจริงทั้งหลายดังที่พระเจ้าทรงเข้าใจแล้วถือว่าเป็นความประเสริฐอย่างยิ่งเราอยากเห็นเป็นความจริงสําหรับเราเองไม่เพียงแต่เราได้ยินทิฏฐิศรทิตฐุลของท่านมาประเสริฐท่านบุดพ้นเป็นอย่างนั้นท่านประเสริฐเป็นอย่างนี้เรายังไม่พอใจเราอยากทราบในภายนจิตใจของเราเองเมื่อเมื่อเราอยากทราบแล้วเราต้องทราบทั้งฝ่ายต่ําฝ่ายสูงคือฝ่ายดีฝ่ายชั่วเช่นสัจธรรมทุกสมูทายนี้เป็นฝ่ายต่ํานิโรธคือ คือความดับทุกข์เป็นฝ่ายสูงมากคือข้อปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสก็เป็นฝ่ายสูงเร า, าจะทานทราบตามความจริงของสัจธรรมทั้งสีนี้ประจักษ์ใจของเราและการพ้นจากกิเลสพะรู้รอดสัจธรรมทั้งสีนี้แล้วเราก็อยากจะพ้นด้วยความประจักษ์ใจของเราไม่อยากจะทราบอย่างอื่นอยากทราบเรื่องของเรานี้เท่านั้นเพราะเราเป็นกองทุกข์เราเป็นกองจากเราเป็นผู้มืดหนาสาโหด เราต้องการความฉลาดเราเราต้องการความแหลมคมภายในจิตใจของเราเราต้องการกวามลุดพ้นเราโค้นลงมาที่นี่มันถูกปิดถูกบงังถูกปูกขุมมาอยู่ที่ตรงไหนแก้ลงด้วยสติปัญญาฟาดปันลงไปจนแหลกกรจารย์ไม่มีอะไรเหลือถึงความจริง น, นลวลนั้นแหละท่านเรียกว่าหลุดพ้นแล้วจากิเลศซึ่งเคยเป็นนายเรามากี่กับอีกกันหรือเคยเป็นศาสตราจารย์ผ่านสอนมาเป็นานานๆได้เห็นตัวของมันและถอดถอนมันไป หมดโดยสิ้นเชิงนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งวัฏจักรยู้ที่ใจของเรานี้ไม่มีอยู่ที่อื่นจึงขอให้ย้อนเข้ามาพิจารณาให้ดีเรียนจิตให้รู้เรียนจิตรู้ทั่วถึงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยในโลกนี้กว้างแคบไม่สําคัญสําคัญที่เรียนจิตให้รู้เรื่องของจิตให้รู้เรื่องสิ่งที่แทรกอยู่ภายในจิตดีชั่วต่างๆแล้วเป็นที่พอกับความต้องการ แต่ผุทเจ้าเมื่อถึงนี้แล้วไม่ต้องการอะไรอีกสาวกก็หลายพอใครๆก็พอเมื่อถึงขั้นเรียนวิชาความรู้ที่ถึงขั้นเพียงพอแล้วพอทังนั้นเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่ตลอดการจึงขอุติธรรมเทศนาเพียงตรงนี้อันนี้ไม่เปลี่ยนากอะไรเลยนะ